ตอนที่ 11. อาณ า, <น>าปานสติสตแห่งค่ำคืนค่ำคืนนี้มีเพียงชันและความมืดของคืนไรเดือนกว่ามืดของราตรีเข้าอบคลุมบ้านสงบหลังนี้นอกหน้าต่างคืนนี้มีดวงดาวกระพริบร่าเริงอยู่ที่สุดขอบฟ้าเมื่อดับไฟนนอ่อนลงแม้ในความมืดกลับเป็นบรรยากาศแห่งสันติสุขของโลกสันโดษ ในความมืดมิดก็ยังมีดวงดาวจํารัดแสงในชีวิตที่ทุกยากมืดมนก็ยังมีความหวังอันรุ่งโรจน์เจิดจ้าอยู่บนเส้นทางทุกข์ก็ยังมีความดับทุกขเป็นที่หวังในสายทานการเกิดดับก็มีสิ่งอมตะเหนือการเกิดดับฉันรักความมืดของค่ําคืนมันทําให้คนเรารู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติรอบตัวมันเป็นบรรยากาศที่ไรเ้เลหเลี่ยม เหมือนหมอกมายาที่แยกชีวิตออกจากธรรมชาติจางหายไปมันทำให้เราสนิทสนมกับดาวเหนือในฟากฟ้าในความมืดมักทำให้ดวงใจเราสว่างสวยัยใช้ชีวิตอยู่กับหมู่ดาวอย่างเป็นตัวของตัวเองฉัยคิดว่าคนเราควรดับไฟนิออนและนั่งสงบในความเงียบความมืดเพียงลาพังบ้าง เพื่อตาอันสว่างแห่งวิปัสนาได้ประจักษ์บางมุมมืดของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาในความมืดในความเงียบในสมาธิกับทําให้คนเรามีจิตใจที่มีชีวิตชีวาสว่างบริสุทธิ์ช่างแตกต่างกับวันเวลาของธุรกิจรีบเร่งเมื่อเราทุ่มเทเวลาให้กับการฉอเลาะในหมู่สหายเราระเริงไปกับบทบันเทิงสุดสัปดาห์ เราเครียดกับแผนการซับซ้อนในหมอกวันแห่งความกัดกรุ้มของสำนักงานแม้ดูผิวเผินเหมือนชีวิตที่ดำเนินไปอย่างสว่างสวทั้งที่ดวงใจอาจมืดดำถูกดึงดันไปด้วยความลี้ลับของความไม่รู้บีบบังคับให้กายใจโลดเต้นไปในโลกของธุรกิจและบันเทิงจนไม่มีเวลาแม้เพียงเล็กน้อยที่จะได้เหลือบเหลียวมองความคิดของตอนอย่างเต็มตาอาจไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าอะไรเป็นตัวกาหนด หรือชักเชิดกํากับวิธีคิดและพฤติกรรมอยู่เบื้องหลังฉันชื่นชมความมืดและความเงียบสงัดมันทําให้ฉันสงบมันทําให้ฉันได้ยินเสียงกระแสะแห่งสัจจะสัมผัสถึงวิธีของการเกิดแก่เจ็บตายการสงบอยู่ในทินสงัดสัมผัสกับสรรพสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่ในสากลด้วยจิตสิ้นความกังวลแม้ผู้คนอาจเห็นว่าเหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝันทั้งที่แท้อยู่ในโลกของสัจจะ ตรงกันข้ามชีวิตที่เลื่อนไหลไปตามสีแสงแวววาวแม้ดูคล้ายโลกของสัจจะทั้งที่แท้คือโลกของความฝันเคลืบอเคลิม้มหากเราไม่ยอมปล่อยวางภา ร, รกิจแห่งความปรารถนาในชีวิตประจำวันลงบ้างจิตเราก็จะกระด้างจนไม่อาจซึมซับแสงกระพริบของดาวเหนือข้าใดคืนใดที่หัวใจมักมากสงบลงขํานั้นคืนนั้นก็ย่อมเห็นแสงสว่างในความมืด อาณาปานสติแห่งค่ำคืนได้ปลดปล่อยจิตใจออกจากแรงดึงดูดของโลกไปสู่อิสระสู่ดวงดาวออกจากความเพ้อฝันแล้วตื่นยังเต็มตาค่ำคืนนี้ของชีวิตเป็นค่ำคืนของการเฝ้าดูความคิดปรุงแต่งสัมผัสอารมณ์เพื่อปลดปล่อยจากปุยหิมะสีขาวที่ลาลับไปความอบอุ่นสีเขียวเข้ามาทดแทน มันคือชีพประจรแห่งฤดูกาลสังขารอันไร้จีรังของฉันนี้ล่วงลับดับลงอีกวาระหนึ่งมันเสื่อมสลายเพราะมันเดินทางเหมือนดาวเหนือความเงียบเงียบงันจนฉันได้ยินเสียงความเงียบหวีดหวีอยู่ในหูของตอนเองจนรู้สึกได้ทิ้งจังหวะของชีประจรเต้นหัวใจของฉันมันเต้นอยู่อย่างวังเวงมาช้านานปานใดแท้จริงมันไม่ได้เต้นอย่อยางโดดเดี่ยว หากแต่มันได้โคจรไปพร้อมกับดวงดาวแห่งราตรีพร้อมกับสายลมที่แผวผ่านความเงียบหัวใจได้รับภาระมายังเหนื่อยหนักสูบฉีดเลือด5ลิตรไปหล่อเลี้ยงแดนไกลลมให้ใจยังผิวแผ่วฟอกปอดและแผ่ความอบอุ่นเนื้อเยื่อทุกส่วนเซลล์ได้ผสมผสานข้ามขอบฟ้ามาจากอีกซีกโลกกับดินน้ำลมไฟในภาคพื้นยุโรป เคลื่อนไปในานามสมมติว่าชีวิตเพื่อสืบทอดภารกิจบางอย่างเช่นเดียวกับดาวเหนือเส้นผมถึงเล็บเท้าล้วนแล้วแต่กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของสสารพลังงานที่สัมพันธ์กันทั่วจั ก, กรวาลภัยสารกระแสแห่งความร้อนคลื่นไฟฟ้าคลื่นสมองปฏิกิริยาเคมีความจดจำได้หมายรู้ปรุงแต่งนึกคิดเจ็บปวดและสาราญ อีกมากมายของกระบวนการสลับซับซ้อนล้วนเป็นปฏิกิริยาของกระแสธรรมชาติอย่างไรตัวตนที่แท้จริงทางรูปและนามตัวฉันที่แท้จริงหาหมีไม่มีเพียงกระบวนการใหญ่ของพระธรรมกระบวนการทางรู ป, ปรธรรมกระบวนการทางนามธรรมกระบวนการแห่งความรู้สึกนึกคิดไม่ได้มีบุคคลตัวตนที่ไหนเลย อ, อนัตตาโลกนี้ไม่มีฉัน แม้จะมากมายด้วยปรากฏการ์แต่ก็มีเพียงกฎเกณฑ์เดียวของอนัตตภาพสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะเรียกว่าเป็นไปตามองค์การของพระผู้เป็นเจ้าก็คงไม่ผิดแผกไปในกระแสะแห่งสัจจะนี้มีเพียงปรากฏการล์ล้วนๆมีเพียงธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นที่ไหลไปสุทธิธรรมาประวัติตันติจังหวะของชีพจร วิถีโคจรของดาวเหนือเส้นทางของความคิดทัศนะที่เกิดจากการปรุงแต่งข้อมูลเคลื่อนไปในกระแสสัจจะเดียวกันการเกิดแก่เจ็บตายแท้จริงหาหมีไม่หากมีก็เพียงสมมติเพียงสือเรียกปรากฏการเปลี่ยนแปลงในมหากระแสที่ไร้การเริ่มต้นไร้การอวสานจะกระวนนี้เป็นเอกภาพของการเปลี่ยนแปลง วันใดคืนใดที่กว่าไม่รู้เข้ามาเป็นม่านหมอกบังตาตัวฉันของฉันก็พันปรากฏพร้อมกับการสร้างวิถีแห่งตนขึ้นมาปรารถนาให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามใจตนจนลืมวิถีแห่งธรรมแต่วิถีแห่งธรรมนั้นคือมหากระแสไร้สิ่งต้านทานบรรดาลเส้นทางของดาวเหนือเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องสามัญของวิถีแห่งธรรม กลายเป็นสิ่งหน้าสยสยองของวิถีแห่งตนผู้สร้างความปรารถนาขึ้นมาโดยเดียวดายหากความระลึกได้และรู้แจ้งดับวิถีแห่งตนหลงได้จะเหลือเพียงวิถีแห่งธรรมที่งดงามและอมะตะไม่มีอะไรหน้าวาดเสียวอีกต่อไปมีแต่ความงดงามที่สงบและยิ่งใหญ่เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นความงดงามเช่นเดียวกัน เพราะมันแตกต่างปานใดกับเส้นทางการโคจรของดาวเหนือเมื่อม่านหมอกแห่งความไม่รู้จางหายไปการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายก็ไม่ใช่ความพัดพรากอีกต่อไปมีเพียงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นของเหตุและปัจจัยขอเพียงดวงใจได้ออกจากความฝันในวิถีแห่งตนแล้วเราคงเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดาวเหนือพยายามกระพริบบอกฉิ ถึงเรื่องราวของการเจิดจ้าอับแสงตอนที่สิบสองอีกหนบนหนทางเดียวดา ย, ดายฉันได้จากบ้านเกิดเมืองนอนมานานฉันรู้สึกเช่นไรท่านี้คือการจากไปยังไม่มีวันกลับ และทุกอย่างก็เป็นไปได้เสมอมันเหมือนการตายจากไปตายจากประวัติศาสตร์ของโลกที่ตนเคยผูกพันหากนี่คือการจรจากชั่วนิรันดร์หรือการถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตฉันจะเหงาไหมจากความทรงจำที่ยังติดตามข้ามขอบฟ้ากรีดลึกเชือดเฉือนจิตใจให้อะไรไหมแม้ฉันจะเคยอบรมสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้คนมามากแต่ชีวิต เป็นบาทวิถีส่วนตัวที่โดดเดี่ยวจะมีใครรู้ใครเห็นใครเข้าใจถึงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชั้นบ้างและสุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยฉันได้นอกจากตัวฉันเองฉันต้องอดทนปานใดมีใครรู้บ้างจากสายตาผิวเผินที่มนุษย์มองเห็นมนุษย์ด้วยกันอาจสัมผัสกันแต่ฉากของละครบทใดบทหนึ่งที่ฝึกการแสดงมาอย่างชาชินจนกลายเป็นสัญชาตญาณ เราผ่านกันไปผ่านกันมาในสังคมด้วยลีลาที่ประดิษฐ์ประดอยแสดงออกด้วยท่าทีสุขสาราญนั่นอาจเป็นฟอร์มที่ฝึกมาเอาใจความต้องตาของสังคมอย่างชำนาญหญิงหรือชายมักไม่ค่อยได้รับรู้ถึงความเหงาความเซ็งของชีวิตเปล่าเปลี่ยวซึ่งกันและกันและแม้ของตอนเองเราเก่งในการแสวงหาสิ่งมาบำบัดหรือลืมมันไปได้ชั่ววูบ แต่ครั้นตนได้เหลียวมาเห็นตลอดเส้นทางว้าเวของตนช่างพบแต่ความไร้ที่พึ่งที่ล่องลอยไปในสายทานแห่งการแก่เจ็บตายอย่างเวิงว้างเดียวได้ไม่อาจล่องลอยไปในทานแห่งอนิจจังอย่างสงบสุขเพราะจิตใจได้ผูกกระวัดรัดรึงอยู่กับความน่าตื่นตาตื่นใจที่หมุนผ่านไปพบแล้วก็ระทมทุกข์อยู่เพราะแรงปรารถนาแท้จริงการจากโลกที่ตนเคยผูกพันมา หรืออยู่ในคุกตารางที่สิ้นญาติขาดมิตรหรือสมณะผู้ทิ้งประวัติศาสตร์คลุกคลีของตนมาอยู่เดี่ยวที่รับโลกหากความผูกพันทั้งหลายความทรงจําทั้งมวลถูกสัมผัส ด, ด้วยความสงัดสงบของสติปัญญาแห่งปัจจุบันขณะความพัดปรากหรือแม้ความตายใหญ่จะมีความหมาย ตอนที่สิแดดความติดใจและความหวาดวันหวันว่นชีวิตเป็นกระบวนการแห่งความเดียวดายเป็นเส้นทางที่คับแคบเฉพาะตนเป็นถนนส่วนตัวที่ว้าเวไม่มีใครได้รู้ได้เห็นประวัติความเป็นมาของการโลดเต้นชีวิตบนโลกนี้เท่ากับตนเห็นตนเองไม่มีใครได้มารับรู้ถึงความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายในชีวิตของตอนได้ เหมือนดังที่ตนได้ซึมทราบไม่มีใครมาหวาดวันถึงเส้นทางมืดสลัวในเบื้องหน้าของชีวิตตนเท่ากับที่ตนหวาดวันเส้นทางของชีวิตมันช่างโดดเดี่ยวน่าสะเพงกลัวเต็มไปได้วยความไม่มั่นใจหลายต่อหลายหนบนโลกนี้ชีวิตต้องตื่นตาตื่นใจไปกับความเพลิดเพลียของสองข้า ง, างทางที่ผ่านไปพบเห็นหลงกว้าหลงหวังหลงไฟฝัน ดิ้นรนไปเพื่อครอบครองมันหลายต่อหลายหลที่ได้รับความเจ็บปวดจากการกไก่ก้ า, กาครอบครองไว้ยังหวาดวันแล้วหลุดลอยไปยังใจหายหลายต่อหลายหลผลที่ได้รับจากความทะเยอทะยานเสาะหามาก็หามีคุณค่าแต่ประการใดไม่แต่เราก็หารู้จักเข็ดหลาบไม่ยังคงวันไหวระทึกใจไปกับโลกที่ประดับประดาไว้ได้วยแสงไฟอันวิจิตพิสดาร แล้วก็ต้องหลบมาประเข้าประงมความบอบช้ำอยู่อย่างเดียวดายนับครั้งไม่ท้วนเปรี่ยวแสนเปรี่ยวเหงาสุดเหงาในท่ามกลางความหลากหลายที่ผ่านมาพบเห็นนี้ก็ยังคงเป็นเพียงโลกลำพังที่ไม่สิ้นความภวาติดใจและผูกพันและผัดพรากซ้ําๆซักๆากอยู่เพราะความไม่รู้ หวาดวันจนต้องหาความมั่นใจความมั่นคงในการมีชีวิตจากการยอมรับของผู้คนจนเป็นเหตุให้สแสวงหาอำนาจชื่อเสียงทรัพย์สินในเส้นทางเดียวดายนี้สแสวงหาอยู่ซึ่งความภาคภูมิใจจากสายตาการยอมรับของผู้คนเดินเก็บเศษตกคําชมเงียหูหาเสียงปรบมือเก็บมาหล่อเลี้ยงดวงใจเหงาแม้หลายครา ต้องหลบมาระอาต่อความไร้แก่นสารที่ตนรู้ตนเห็นบนเส้นทางชีวิตวังเวงนี้ได้ฝังใจไว้กับสองข้างทางความติดใจในไม้ดอกไม้ประดับที่เรียงรายสร้างความหมายให้แก่ความแก่ความตายความเจ็บปวดในการอำลามาจากการติดใจในการดารงอยู่การติดใจมาจากความไม่รู้และไม่ระวังใจรู้และระวังก็จะไม่หลงไหล ความตายก็หมดความหมายความชราก็ไม่ทําลายจิตใจศิลปะในการแก่การตายจึงเป็นศิลปะในการมีชีวิตหากได้ลหลงไหลชีวิตมายาวนานก็ยิ่งเปล่าเปลี่ยวผ่านวันคืนของชีวิตมาด้วยความเงียบเหงารัคนกับความเร่าร้อนแท้จริงแล้วความติดใจนั่นเองเป็นตัวการบรรดาลความเหงาความเดียวดาย เพราะมันทำให้ชีวิตบกพร่องสร้างความรู้สึกขาดแคลนความไม่สมบูรณ์ในตัวเองทำให้เรื่องราวของชีวิตแต่ไม่ได้ความเรียกร้องแท้จริงเพียงการฝึกใจให้หายติดใจความเดียวดายก็หายไปกลายเป็นความสมบูรณ์ทัศนวิสัยในเส้นทางก็สว่างหายมืดมนหายน่ากลัวความเสื่อมความผันแปร ى, ไม่อยู่ในวิสัยที่ใครจะฝืน แต่การเอาชนะความตายกระทำได้ด้วยการคลายความติดใจในสิ่งทั้งปวงลงการเอาชนะความตายก็คือการเอาชนะความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายในชีวิตความติดใจนี้เองที่ทำให้ไม่อยากจากไปทำให้หวาดหวันในการไม่ได้ครอบครองทำให้หัวใจร่ำร้องเรียกหาอะไรบางอย่างที่แอบติดใจและทุ่มเทชีวิตเพื่อพิทักษ์สิ่งที่ติดใจ ดำรงอยู่ยังขาดอะไรอยู่ร่ำไปหวั่นไหวกลัวจะสูญเสียสิ่งที่ติดใจอันได้แก่ความเป็นหนุ่มความเป็นสาวตำแหน่งผู้จัดการของฉันบริวารของฉันอดีตอันรุ่งโรธของฉันตัวเลขในบัญชีของฉันชีวิตต้องแบกรับชะตากรรมอย่างมากมายถึงปานนั้นเหรือแม้ยืนเดินนั่งนอนอยู่บนกองเงินกองทองกองเกียรติยศก็ไม่หายเหงาหายหวาดวัน แม้เป็นเพียงสมณะอนาคาริกตามป่าเขาไร้เรือนไร้บริวารไร้ทรัพย์เพียงกำจัดความติดใจสิ้นแล้ ว, ลวก็ย่อมสิ้นความเดียวดายเหนือการแก่ตายตอนที่14 แววเสีย ง, ส, ยงส่วนโมกค่ำคืน27พฤษภาในความสงบสว่างของรัศมีเดือนย้ำเตือนถึงความตายจากถ้อยคำสุปฏิปันโนส่วนโมกที่แท้หามีการเกิดการตายจริงๆไม่สังขารมันปรุงแต่งแปลเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยมีเพียงกระแสธรรมชาติลว้วนๆเท่านั้นที่ไหลไปการสิ้นสุดลมหายใจ ไม่ใช่จุดสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงที่สมมติเกิดตายมีความหมายเมื่อยึดครองเป็นของกูเมื่อหมดสิ้นกูสิ่งทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเองมันต้อนรับกับความจริงอย่างไม่มีกูของกูหากความเจ็บไข้หรือความตายจะมาเยือนอย่าให้มันลวงใจพึ่งสํานึกว่าเรื่องโ ล, โลกทั้งหลายเสร็จสิ้นแล้วไม่มีสิ่งห่วงใยในโลกนี้แล้ว บุญกุศลสร้างมาแล้วตามควรแก่อัตภาพแม้ไม่มีใครมารับรู้เห็นพอกันทีโลกมนุษย์เทวดาพรมอันมากด้วยกูของกูวันที่หมอกฝ้าจางลงดวงตาผ่องใสดวงใจผ่องแผ่ย่อมเห็นว่าไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรน่าเป็นอยู่หรือตายจิตใจก็ใสสะอาดเส้นทุก ตอที่สิบห้าต่อแต่นี้นไม่มีมมเธอเทียนทอแสงอ้างว้างท่ามกลางมรสมรุกเราเข้าอบคลุมหมโรมรุมร่วงสลายรักเราสองต้องร้างแรมราลาแล้วลาโลกล่าเลือนหายชีวิตนี้นีหนาชีวีต่ำต้อยสูงส่งสั ต่างสิ้นสาบสูญดอกไม้จันดอกนี้ถึงเธอสื่อสัมพันธ์เลิศเลอลำคาทุกเยื่อใยฉไนเจอจำพรากไม่วันนี้วันหน้าแน่แท้อานิจจ์ไปเถิดเธอสู่ห้วงสวงสันเราก็กี่คืนวันจากล่าดับซึ่งสังขารขันชีวา ทั้งเมื่อนี้เมื่อหน้าหนึ่งนั้นอนัตตาบรงสุกุลเพื่อนแก้วคืนคงสู่พื้นปัตภีผงคลีดินความหลังมาลายลงแหลกแล้วตัวตนไร้เธอไร้เงาสิ้นสุดซึ้งสุญยตาโลกหนอโลกหลากล้วนปรวนแปรสิ่งใดหรือเที่ยงแท้ถาวร วันหนึ่งมาถึงแน่ดับมวยมรณารีดหมึกหยดหนีย้อนอย่างรู้เร า, เ, ราเองเตอนที่16มิมอาจห <5 S 1> ม, มายปองครองสิทธิ์การเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งก็เหมือนมา่เยือนดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งที่โคจรอยู่ในฟากฟ้ า, ฟาชีวิต เป็นเพียงแขกที่มาเยี่ยมเยียนโลกมนุษย์เป็นผู้ยากไรมามือเปล่าไม่มีสมบัติอะไรติดตัวมามาอย่างยากจนโดยกำเนิดสัญจรรอนแรมไปบนผิวโลกที่ให้กำเนิดมาอย่างยากจนแม้มาหลับนอนพักพ่อนชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วก็ยังหามีทรัพย์สินถิ่นฐานใดเป็นของตนไม่ยามจากไปก็จากไปอย่างยากจนเหมือนเมื่อวันมา เพราะชีวิตเหล่านี้เป็นเพียงแขกเท่านั้นพืชพันธัญญาหารสมบัติพัสถานลาบหยดตำแหน่งฟุงฟ้งเฟื่องแห่งการเรื่องอำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ของเราเลยเรามาหยิบยืมใช้สอยอยู่ชั่วระยะเวลาอันจำกัดกรรมสิทธิ์ทั้งหลายเป็นเพียงกรรมสิทธิ์สมมติเพียงเพื่อความสะดวกความเป็นไปได้ของการสารภา ร, รกิจแห่งความเป็นมนุษย์ ที่พึงเกี่ยวข้องด้วยจิตระหนักในช่วงชีวิตอันจำกัดนี้การมาเยี่ยมเยียนโลกมนุษย์ของเราครั้งนี้เพียงมาเยี่ยมเท่านั้นไม่ได้มาตั้งรกรากอย่างถาวรไม่มีสิทธยึดครองอะไรเป็นของตนแท้แม้หลายหลายหนเราทำตนเป็นแขกผู้มีเกียรติที่เลวหลายหลายคราที่เราได้ลืมตัวแล้วอวดดีเพราะไม่รู้สาคัญตอนผิดคิดว่าอะไรเหล่านั้นเป็นของเราจริง เราเป็นดาวจำรัดแสงจริงๆแต่ก็ต้องเจ็บช้ำเพราะความหวงเหนมานับผลไม่สิน้นแต่ก็ไม่หลาบจำที่จะลองดีหมายปองลำพองไปตามเสียงสะดุดีแม้เราหมายจะเป็นแขกจอมขโมยแต่ในที่สุดเราก็ถูกพิพากษาให้เจ็บปวดอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีสิ่งใดที่เราจะเอาไปได้เลยถึงวาระที่จะต้องจากจอก็ต้องจากจอ ในโลกอันอุดมสมบูรณ์พระธรรมได้ประทานข้าวปลาอาหารแก่แขกผู้มาเยือนโลกใบนี้เป็นเคหสถานอันอบอุ่นโลกใบนี้มอบเสื้อผ้าอาพรแก่แขกผู้มีเกียรติเพื่อกัน ร, ร้อนกันหนาวชั่วคราวที่มาแรมคืนค้างอยู่ชั่ววัยโลกใบนี้ยังให้ยารักษาโรคบรรเทาความเจ็บปวดป่วยไขย้โลกใบนี้ อย่างมอบพลังงานธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาลเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกสบายแก่แขกผู้มาตัวเปล่ายศถาบรรดาศักด์ล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทแต่งตั้งกันเล่นๆไว้รอต้อนรับแขกผู้มาใช้สอยเพื่อสืบภารกิจของคนเราท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายโลกใบนี้ประทานอะไรให้เรามากมายถึงป่านนั้น ประทานจนเรามีชีวิตอยู่อย่างอิ่มหมีผีมันสะดวกในการหยิบจ่ายใช้สอยโดยที่เราไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือมาแม้แต่น้อยเรายังคิดจะกอบโกยกักตนติดตัวไปชาติหน้าด้วยหรือทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไร้สิทธิ์แต่ก็อดไม่ได้ใช่ไหมที่จะอวดสักดา ว, ว่าขั้นแน่ความคิดเก่งจำเก่งอะไรเหล่านี้มักทาใหเราอวดดี พยายามลวงให้คนอื่นเขาคิดว่าตนเก่งตนยอดยิ่งใหญ่ราวกับว่าเราได้เนรมิตอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาด้วยตัวเองอช่างเป็นโลกของเด็กๆหากโลกนี้คือสวนดอกไม้ที่งดงามประการตาของพระผู้เป็นเจ้าเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อเหยียบย่างเข้ามาชื่นชมสวนดอกไม้นี้เมื่อเราได้เดินอย่างเจริญตาเจริญใจไร้การมุ่งหวังครอบครอง เราย่อมชื่นบานและผ่านส่วนนี้ไปด้วยใจอิสรภาพแจ่มใสหากหัวใจไม่หมองของเราครุ่นอยู่แต่กับการขโมยดอกไม้ดอกใดดอกหนึ่งวนเวียนอยู่แต่จะครอบครองจนจิตใจไร้ความเบิกบานในการชมสวนผ่านวันคืนไปด้วยใจหมองมนจนถึงวันหมดวาระแห่งการมาเยือนก็มีแต่ความหวนหาอะไรในดอกไม้ที่หมายปอง แล้วทุกวันนี้เรากำลังหมายปองและอวดอ้างกรรมสิทธิ์ดอกอะไรกันอยู่แม้เราจะมาสวนตระการตานี้ด้วยการร่ำไห้แต่เราก็ควรจะอำลาจากไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและจิตใจที่ขอบพระคุณยิ่งในระหว่างการพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในสวนนี้นอกจากกินทายหลับนอนแล้วเราควรจะรดน้ำพรวนดินตอบแทนเยี่ยงแขกผู้ไม่ในรคณจริงไหม ตอนที่สิริ้วมเมฆขาวของคืนเพนค่ำคืนนี้มีเมฆขาวมากมายเหินอยู่ในท้องฟ้าสว่างสวยัยจะมีใครบ้างไหมหนอชื่นชมอยู่กับหมู่เมฆขาวในยามดึกเดินนี้การเดินทางท่องเที่ยวของหมู่เมฆในท้องทุ่งเวหาช่างเป็นกระบวนการสงบที่ยิ่งใหญ่และอมตะเมฆสีขาว ในความสว่างสงบของแสงจันทร์นวนใหญ่บนฟากฟ้าสีครามงดงามยิ่งกว่าภาพประกวดใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นศิลปะเช่นนี้มีเพียงพระธรรมเท่านั้นที่สร้างสรรได้การเคลื่อนไหวแปรรูปแปรกระบวนของริ้วเมฆขาวในข้าคืนอบอุ่นของฤ ด, ดูใบไม้ผลิฉันได้สัมผัสถึงการก่อกำเนิดแล้วเสื่อมไปของกระบวนการมฮมาการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับ เป็นความงดงามที่คงทนเขาหรือไม่ที่จะปรารถนาให้ธรรมชาติหยุดนิ่งบางทีหลายปีมานี้เราอาจสับสนกับการงานธุรกิจหรือกังวลอยู่กับแผนการสร้างฐานะกัดกลุ้มเหงาเซงหมอกฝ้าแห่งความปรารถนาปิดกั้นแยกตัวเราออกมาจากธรรมชาติจนเราไม่สามารถรับรู้ความงดงามความสงบของหมู่เมฆและดวงจันทร์ ก่อนหน้านี้ที่เรายังเป็นเด็กเราเคยสนิทสนมและเป็นกันเองกับดวงดาวดวงจันทร์มากกว่าเดี๋ยวนี้เราเคยขี่กวายชมจันทร์ที่บ้านทุ่งมันเป็นความสุขบริสุทธิ์แบบพื้นพื้นที่สาบสูญไปจากชีวิตเมื่อเรามีอะไรต่อมีอะไรมากมายขึ้นมาในการดำรงชีพเราครุ่นคำนึงถึงทรัพย์สินปริญญาและอำนาจจนไม่สามารถสัมผัสสิ่งรอบตัวได้ยังมีความสุขมีชีวิตชีวา เราได้อะไรมามากมายแต่เราสูญเสียอะไรไปเราสูญเสียอิสรภาพในการดำรงร่วมกับสรรพสิ่งอย่างชื่นบานซึ่งถูกทดแทนด้วยความฝันกลุ่มพวงหาความมั่นคงจากสิ่งไร้ความมั่นคงเราหวาดกลัวในการเสื่อมสลายของสิ่งที่ตนหลงครอบครองหรือไม่ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาเราสูญเสียจินตนาการเสรีภาพในการมองดูดวงจันทร์ เราได้ให้ความฝันมายามาทำลายความละเอียดอ่อนของจิตใจจนจิตเราเฉยชากระด้างขาดความจริงใจตอบเพื่อนมนุษย์ความฝันของเราหยาบคายมุ่งหาความเป็นนิรันดรในสิ่งที่ตนหลงนิยมจะมีมากไหมในชีวิตเรานี้ที่ได้ร่วมเดินทางกับพระธรรมสัมผัสได้ถึงความงดงามในกระแสแห่งการเกิดดับต้อนรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างสว่างสงบ ริ้วเมฆขาวของคืนเพ่นที่ผุดพองได้สื่อความรู้สึกของกระแสะแห่งการเปลี่ยนแปลงอัน ง, งดงามท่ามกลางความสว่างสะอาดสงบของดวงเดือนเมื่อชีวิตหนึ่งหนึ่งได้มีความรู้สึกซึ้งว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมปลดปล่อยตนเองออกจากการเกาะกลุ่มต่อสิ่งไร้ความมั่นคงชีวิตนั้นนั้นย่อมใกล้ชิดกับริ้วเมฆขาวของคืนเพล น, นอย่างเป็นกันเอง ไร้กำแพงของอัตตามากีดกั้นดวงใจของคนสันโดษก็สุขยิ่งแล้วสัพสิ่งนั้นสันติสุขและสวยงามอยู่เสมอแต่ความจริงที่สุดนั้นสำคัญที่ใจไม่มีหมอกมายามาปกคลุมหุ้มห่อในการสัมผัสของความรู้สึกที่จริงใจตรงไปตรงมาความรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความคิดความจำเราอาจจาได้ท่องได้ว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจัง สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่ของง่ายนักที่ความรู้สึกของเราจะเข้าใจยังท่องแท้เราอาจจะชินเชื่อจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะเห็นการเกิดการดับสูญบนโลกนี้แต่ก็ไม่วายที่จะปรารถนาความสถาพรมั่นคงในสิ่งที่หวงแหนทางลาบยศตลอดจนชีวิตเสมือนมีบางสิ่งบางอย่างกระซิบบอกอยู่ในห่วงความรู้สึกที่ลึกเรนว่า มันน่าจะมีสิ่งคงทนมั่นคงสําหรับเราเราไม่เชื่ออย่างสนิทใจในความรู้สึกว่ามันเสื่อมอยู่ทุกขณะเราจึงปักใจและแสวงหาบางสิ่งบางอย่างมาเกาะกลุ่มเรายึดมั่นในสิ่งที่ไม่มั่นคงโลกเราจึงร้อนแรงกระทบกระแทกกันด้วยอัตตาที่คอยปกป้องห่วงแหนแต่พระธรรมสร้างทุกสิ่งและทุบทิ้งถึงร่ํารวยด้วยเงินทอง แต่เราก็อาจอับจนความสุขอับจนความการะนาก้าวเดินของเราเต็มไปได้วยความขัดข้องไม่อาจดำเนินไปกับเส้นทางของเมฆขาวด้วยความพ่องใสยอย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าคงมีสักค่ำคืนหนึ่งของชีวิตที่เราจะได้รับรู้ถึงทางนิรันดรของเมฆขาวและชีวิตในสักผลหนึ่งที่ความเจ็บปวดได้ปัดเกล็ดฟ้าออกจากดวงตาของเรา และลืมตาสัมผัสจันท์เพ็อย่างเต็มตาในโลกตระการตาอันเป็นถิ่นกําเนิดถิ่นทําลายนี้ยังมีความสงบสุขที่แท้เที่ยงไว้หล่อเลี้ยงไว้ใจชนทั้งโลกที่ทถมตนลงแล้วจากความเย่อหยิ่งทั้งปวงในโลกที่เต็มไปได้วยการต่อสู้แข่งขันกันอย่างโหดร้ายนี้ดูเหมือนดวงจันทร์ได้ให้คํามั่นสัญญาว่าไม่นานหรอกความงดงามความจริงใจ ความการุณาจะต้องเข้ามาทดแทนเมื่อเราได้อย่างลงสู่กระแสสัจจะปล่อยวางต้อนรับกับความจริงของชีวิตและเมฆสีขาวเพราะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังมนเพลงบทสุดท้ายแห่งกุศินาราและนี่ใหญ่จะมีใช่ที่สุดแห่งสาระของวิสาขาบูชาใต้ร่มสาระ ที่18ครั้งหนึ่งในสวนโม ก, โมกหลายปีมาแล้วสมัยนั้นฉันบวชเป็นพระพิสุในช่วงปิดเทอมภาคฤ ด, ดูร้อนของการเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่สฉันได้ไปแสวงหากว่างวีเวกอยู่ที่ภูเขานางเอสวนโมกสุ ร, รา ธ, ธานีในครั้งนั้นฉันยังไม่ลืมเลือนการตายดีของแม่ชีกิมเลี้ยงที่สวนโมกแม่ชี จากไปด้วยความสงัดสงบที่กุติเรือนไม้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่แม่ชีจะจากโลกนี้ไปยังวีรสตรีเมื่อแม่ชีบำเพ็ญภาวนามาตลอดบั้นปลายแห่งชีวิตเมื่อโรคร้ายเข้ามารายล้อมไวยชราความเจนจัดในผัสสะเพื่อปล่อยวางอารมณ์ซึ่งเชี่ยวชาญกว่าผู้มีเพียงมันสมองอย่างโลกโลกทำให้แม่ชีเดินผ่านข้ามเขตแดนตายไปอย่างไม่สะดุดเหมือนสายลมพัดผ่านผิวน้า จากไปตามกำหนดการเหมือนเดินออกนอกประตูบ้านไปสู่อากาศบริสุทธิ์ข้างนอกชั้นนั้นตั้งแต่ฉันเติบโตมานี่คือการตายดีเพียงครั้งเดียวที่ชั้นได้สัมผัสมาโดยตรงและฉันยังคงจดจำวันที่ร่างกายของแม่ชีมอดไหม้กลายเป็นเท่าฐานพิธีศพของแม่ชีเผากันสดๆที่กองฟอนกลางลานเชิงเขานางเอท่านอาจารย์พุทธทาส มาหยิบยื่นมรณะสติเป็นประธานการปล o n สังเวทเพื่อประโยชน์ของคนเป็นเช่นเห็นเรือนร่างของคนที่เป็นคนและในบัตรดลแปลเปลี่ยนแยกทาตเป็นเท่าทานเศษกระดูกบรรยากาศยามนั้นช่างขับเน้นให้เห็นอนัตตาเปลวเพิงที่ลุกลี้ลุกลนโถมท่วมทับร่างกายกลายเป็นอันนึงอันเดียวกันในคลองให้ความเปลี่ยนแปลงมีเพียงดินน้ำ ลมไฟทั้งรูปและนามหาใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่มีเพียงธาตุตามธรรมชาติที่แปรผันไปตามเหตุและปัจจัยและที่สุดก็หาได้มีความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไร้ชีวิตไม่แตกต่างกันปานใดระหว่างมีลมหายใจกับไม่มีมีความรู้สึกนึกคิดกับไม่มีไหนเมื่อต่างก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดได้เลยพิธีศพ ได้สยบความยิงความสำคัญตนแก่ผู้น้อมนำความตายมาใส่ตนจนได้แจ้งว่าฉันก็เท่านั้นแหละเมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันระลึกได้ถึงการเผาศพตามวัดต่างๆในชนบทท้องทุ่งแม้ฉันจากบ้านนอกมานานแต่ฉันยังรักและศรัทธาวิธีการของบรรพบุรุษพิธีศพในเส้นทางของญาติทวดเป็นพิธีโปรงสังเวชของผู้มีชีวิตทุกคน ได้มีโอกาสเห็นศพศพถูกยกขึ้นเชิงตะกอนและถูกเผาด้วยฟืนไม้ฉันชอบเปลวไฟสีแดงส้มที่ลุกโชนโชดแดงที่กำลังกลืนกินซากชีวิตมันเป็นฉากชีวิตที่ธรรมชาติได้ลบล้างความอวดดีความสําคัญตนของคนลงโดยสิ้นเชิงฉันชอบเปลวกวันที่พวยพุ่งเป็นสายไปสู่ฟากฟ้าดังสัญญาว่า ย่ายหญ่ได้เดินทางไปสู่ปรโลกแล้วฉันยังปรารถนาที่จะเห็นซากชีวิตแปรเปลี่ยนเป็นสีดําและเท่าฐานมันทําให้ฉันเห็นทิศทางของชีวิตเท่าฐานและกวันไฟช่างเป็นบรรยากาศที่เก่าแก่ของอารยธรรมมนุษย์ฉันรักที่จะรับความอบอุ่นของเปลวไฟที่เชิงตะกรนมันทําให้ชีวิตสนิทสนมกับความตายฉันเคยเห็นสภาพร่างศพ ครบท่วนถูกไฟลุกลามทำลายจนกระดูก โ, โลมันทำให้เราเห็นว่าชีวิตและความตายไร้รอยขีดขั้นรู้สึกเสียดายที่บรรยากาศความตายเก่าๆถูกทดแทนด้วยความสะดวกสบายเรากดปุ่มเผาศพได้ปลักไฟวิทยาศาสตร์ในบรรยากาศหรูหราพี่น้องของเราไม่มีโอกาสได้ปลงสังเวชสัจจะถูกปกปิดไว้ด้วยความมีหน้ามีตาชีวิต และความตายก็ดูดห่างเหินกันไ ป, ไปตอนที่สิบเก้ากระแสะแห่งอนัตต า, ตาความกลัวแก่ความกลัวตายเป็นเพียงปฏิกิริยาของการหวงแหนชีวิต ความสะเทือนใจในความพัดพรากเป็นผลของความผูกพันเมื่อจิตใต้สํานึกยังปรารถนาหนุ่มนิรันต์ความเป็นหนึ่งตลอดการร่ํารวยอมะตะต่างประมวลกันเข้าเป็นความติดใจต่อการมีชีวิตและหวาดกลัวต่อการอําลาชีวิตแม้บางหนเรากล่าวยังขาดการสํารวจใจว่าฉันไม่เห็นกลัวตายกลัวแก่ตราบเมื่อเรายังแสวงหาอยู่ซึ่งสิ่งเริงรม ลาบยศสันเสริแลเวไซในส่วนจิตใจลึกเรนย่อมกลัวความพัดพรากจากชีวิตเสมอกลัวการสูญเสียอำนาจกลัวรอยยับย่นแห่งวัยชาราบางครั้งเราคิดว่าเรามีความสามารถคิดคน้นหรือทำอะไรต่างๆได้คล้ายดังว่าเรามีอำนาจในตัวเองบรรดาสร้างสรรอะไรขึ้นมาด้วยตนเองยิ่งวิทยาการก้าวหน้ามากขึ้น เราก็มักถูกลวงให้ฝังใจว่าเรามีความสามารถในการเิรมิอะไรต่อมิอะไรได้มากมายแม้ขีดความสามารถยังจำกัดอยู่แต่ก็มีท่าทีแห่งความหวังว่าเราจะมีอำนาจในการเอาชนะธรรมชาติได้ในทุกกรณีสิ่งลวงเหล่านี้เป็นความฝันที่ถูกยึดไว้ในห่วงลึกแห่งความปรารถนาแท้จริงนั้นคนเราไม่มีความสามารถอะไรด้วยตนเอง แม้ความรอบรู้ที่ซับซ้อนในมันสมองก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ถ่ายทอดต่อตอกันมาการคิดค้นอะไรได้ก็เป็นผลผลิตจากปัจจัยรอบทิศใช้เนรมิตขึ้นมาได้ด้วยฝีมือตนทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยเหตุและปัจจัยมิใช่การบันดาลขึ้นมาดโด ด, โ ด, ดเราม่ได้ดํารงอยู่อย่างโดดเดี่ยวเราไม่ได้แสกขาถาอะไรขึ้นมาด้วยอํานาจในตนอาหารที่เรารับประทาน ใครเขาบำรุงเลี้ยงเราเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นใครถักทอให้เราใส่ข้อมูลแห่งความคิดใครป้อนใส่สมองให้สารต่อไม่มีสูตรสมการที่ใครสร้างขึ้นมาด้วยตนเองไม่มีสิ่งใดเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแม้แต่ร่างกายและจิตใจที่มักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของเราเพราะรู้สึกผูกพันและครอบครองมาเป็นเวลายาวนานแต่ทั้งหมดนั้น แต่ละส่วนเซลแต่ละเซี่ยวกความคิดความจำล้วนแล้วแต่ได้สืบทอดประวัติศาสตร์มาอย่างยืดยาวเราเป็นเพียงฝุ่นทุลีที่เป็นสมาชิกชิ้นอนูน้อยๆในตระกูลมหฮือมาของจักราวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่ได้มีตัวตนแท้จริงของเรามีเพียงกระแสธรรมอันมีเคยหยุดนิ่งถึงสัจจะเหล่านี้คล้ายดังตะ ก, กะง่ายๆที่จะทาความเข้าใจแต่เรามีความรู้สึกเป็นเราของเรา ฝังใจมาเป็นเวลายาวนานจนมีสัญชตาตญาณแห่งการครอบครองเป็นตัวกำกับกำหนดวิถีชีวิตอันตั้งอยู่บนรากฐานแห่งการโกหกและนำมาซึ่งความเจ็บปวดสมมติว่าเรามอบกุหลาบดอกหนึ่งแก่คนรักเราอาจหลงลืมตัวทำทีเป็นราวกับว่าดอกกุหลาบนี้เป็นของเราเราเนรมิตมามอบให้นี่คือความรู้สึกที่ทรยศต่อความจริงขั้นมูลฐาน เพราะกุหลาบดอกนี้มีประวัติศาสตร์การก่อกำเนิดยาวนานใครปลูกใครผลิตปุ๋ยเป็นต้นเรามักมีนิสัยแห่งการยึดครองซึ่งปฏิเสธข้อเท็จจริงอนัตตาในสรรพสิ่งถูกบดบังไว้เพราะความไม่รู้ทำให้เราอ้างสิทธิครอบครองกันอย่างจริงจังเมื่อมีการครอบครองก็มีการหวงแหนดังนั้นการพัดพราก ความแก่ความตายจึงมีความหมายขึ้นมาสิ้นความหวงแหนเสียได้ความผัดพลากเกิดแก่เจ็บตายก็หายไปเหลือแต่เพียงสายทานในการเปลี่ยนแปลงอันอมะตะความเข่าที่สร้างอัตตาขึ้นมาทำให้จิตใจเราไม่อาจยอมรับความจริงได้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ได้กลายเป็นว่า มีความเสื่อมไปเป็นความโหดร้ายธารุนเสียแล้วความรู้ไม่แจ้งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หรือไม่ในสมองอัญชานฉลาดของนักวิชาการของนักวิทยาศาสตร์ของวีรบุรุษการเมืองของเจ้าสำนักผู้กระหายสาวกของบรรดาศักดิ์ที่มั่งคั่งด้วยเกีดยรติยศตราบใดที่เราไม่รู้แยกตนเองออกมาจากธรรมชาติอย่างเดียวได้รากับว่าตนเป็นศูนย์กลางของจักรวาล เป็นเจ้าของสปปรรพสิ่งก้าวของชีวิตเต็มไปด้วยความติดขัดเพราะธรรมชาติไม่อาจเอื้ออำนวยความประสงค์หากเราอย่างรู้และหลอมตัวเองเข้าสู่สายสัมพันธ์ที่โยงใยสปปรรพสิ่งเข้าด้วยกันเราจะเริ่มรู้สึกใกล้ชิดกับต้นไม้สีเขียวเศษใบไม้คนต่อคนคนกับดวงดาวแม้ต่อหน้าการเจ็บตายก็ย่อมมีรอยยิ้มบนใบหน้าของผู้คน ด้วยความเข้าใจตอนที่20สจากฝากฟ้าโุราลัยสู่ <S 2> <S 2> <S แดนดินฝนพรมประปรายเป็นย่ำค่ำที่ชื้นแฉะเช็ชกับจากการทำงานด้วยความหนาวเย็นฉันนั่งสงบเพียงลำพังในบ้านหลังนี้ แววเสียงสายฝนกลืนกบสะพาสำเนียงในบ้านเมืองนี้ค่ำนี้เหมือนฉันได้สดับบทเพลงแห่งฤ ด, ดูกาลอยู่อย่างวิเวกสายฝนมักเป็นบรรยากาศที่ทำให้จิตใจของเรารู้สึกถึงความร่มเย็นความจริงใจความการุณาปรากฏการของธรรมชาติยิ่งใหญ่อยู่เสมอผู้คนจะใส่ใจกันหรือไม่ถึงเสียงให้ความชุ่มชื่นจากสายฝน หากเราได้อ่อนน้อมทมตนต่อธรรมชาติอีกสักนิดเงี่ยหูสู่ท่วงทำนองอันรันทดของสายฝนมันเหมือนเสียงร่ำร้องในหัวใจของมนุษย์แต่เราจะตั้งใจฟังอย่างสงบหรือไม่หรือว่าอารมณ์ร้อนระอุอยังคุกรุ่นประสาทสัมผัสจนเกินกว่าจะซึมซับเสียงฝนความกัดกลุ้มกังวลในชีวิตประจำวันริดแรงปรารถนาในดวงใจของชายหญิง อาจทำให้โสดประสาทตของเราชาด้านหรือสมองของเรายัางครุ่นอยู่กับผลกำไรและตัวเลขหรือตื่นเต้นหวาดวันอยู่กับความสำเร็จความล้มเหลวจนหัวใจของเราปิดกั้นตนเองจนไม่อาจได้ยินดนตรีแห่งกาลเวลาหากเราได้สดับด้วยสมาธิเราจะได้ล่วงเลยโลกนี้ล้าลึกเข้าไปสู่กระแสเสียงสายฝนน้ําฝนคือตัวแทนแห่งวัฏะที่ทรงสักดานุภาพเสมอมา เจ้าระเหยล่องลอยมาจากผิวพื้นทะเลที่ไกลโพ้นเดินทางเป็นปุยเมฆขาวบ้างเถาวบ้างบทบางแสงจันแสงตะวันอยู่ด้วยการเวลาอันควรก็ถึงคราวที่เจ้าจะต้องรินหลังลงพื้นแผ่นดินเพื่อจะซะซึมรลอ่อหลอมรวมกันหลังล ง, ลงสู่แหล่งกำเนิดเจ้าเหมือนน้ำตาของความเปลี่ยนแปลงค่ำคืนวันนี้เสียงฝนไม่อาจเป็นเสียงฝนอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นเส้นทางดําเนินของพระธรรมเสียงสายฝนเป็นเสี้ยวส่วนของพัดไรลักษ์มันได้สารเป็นบทเพลงบทเดียวกันแล้วกับเสียงลมให้ใจที่แผ่วเบาในความกึกก้องก็มีความเงียบสงบล้ําแฝงอยู่อย่างนิรันด์เพลงทุกบทบรรเลงรวมกันลงสู่ความสงบใครจะได้ยินหรือไม่ท่วงทํานองอันรันทศของสายฝนช่างวีดหวิวเสียดแทงดังบทที่ว่าด้วยการเกิด แก่เจ็บตายมันเป็นเสมือนบทเพลงแห่งความทุกข์ท้อแต่แฝงสันติสุขล้ำลึกแต่ไม่ใช่เพราะความทุกข์ทนนี้หรอกหรือจึงมีความดับแห่งทุกข์ถึงแม้ทางเดินของพัตไตรักษจะเหยียบย่ำทำลายสรรพสิ่งให้พัดพรากจากกันยังเจ็บปวดแต่ก็มีความสงบอันยิ่งใหญ่ให้ผู้รู้ดื่มดำสายฝนเหมือนน้าตาของบทเพลงเศร้า ที่มนุษย์ร่ำให้กันมานานเท่านานแต่สักวันหนึ่งหรอกที่มนุษย์จะต้องสัมผัสถึงความสงบล้ำในฐานแห่งอนิจจังในเสียงของสายฝนเมื่อนั้นสายฝนจะหลอมชีวิตกับธรรมชาติเข้าด้วยกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดน่าหวาดกลัวอีกต่อไปสายฐานแห่งการเกิดแก่เจ็บตายจะกลายเป็นสายสัมพันธ์อันอบอุ่นในห้วงแห่งอนัตตา แม้เราจะต้องฟันฝ่าข่าคืนนี้ไปอย่างระทมทุกยากเย็นหรืออ้างว้างว้าเวแต่ย่อมเป็นบอ่อเกิดแห่งแรงแสวงหาอันใหญ่ยิ่งของคนเราท่ามกลางหยาดน้ำตาแห่งความทุกยากมนุษย์เราย่อมมีวันค้นหาทางแห่งความดับทุกข์สำเนียงกู่ก้องของสายฝนกู่กังวานมาเนิ่นนานานับกับกันกู่ก้องบอกสัจจะแห่งอนิจจังนี้เสมอมา การเกิดดับของชีวิตมีใช่วิถีทางของสายฝนแห่งค่าคืนนี้หรอกหรือสายฝนกล่าวย้ำแก่คนเราถึงความยิ่งใหญ่แห่งองค์การพระธรรมทำให้ฉันนึกถึงถ้อยคําเก่าๆที่ผ่านมากับสายฝนว่าเราทุกคนต่างถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วตั้งแต่ถือกำเนิดมารอเวลาแห่งการลงอาญาเท่านั้นเรากาลังเรียงคิวกันเข้าสู่หลักประหาร โลกอันสันนิวาตเป็นแดนเกิดแดนประหารเป็นสุสานของทุกชีวิตต่อหน้าหลักประหารบนผืนแผ่นดินที่เราถือกำเนิดนี้เราไม่อาจมีดวงจิตหยาบยามจองเวรกันแต่เราจะเห็นอกเห็นใจกันอย่างการุณาเสียงสายฝนเป็นเสียงสอกหรือเสียงส ก, กเกษมอัตตาผู้ครองความเย่อหยิ่งเท่านั้นที่กำหนดม่นหมายแท้จริงแล้วเมื่อยามอัตตาสงบลง ก็ย่อมไม่มีแดนเกิดแดนประหารที่แท้จริงมีแต่กระแสะแห่งการเปลี่ยนแปลงน้ำในทะเลก้อนเมฆหยดน้ำฝนน้ำในลานําธารแม่น้ำสายฐานที่ไร้การเริ่มต้นไร้การอวสานสื่อสายฝนข่าคืนนี้ฉันขอภาวนาให้พี่น้องของเราได้รับรู้ถึงความทุกข์ยากและหยาดน้ำตาแก่กันรับรู้ด้วยว่า เราต่างคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในสายทานในสายฝนที่ไร้การเริ่มต้นไร้การอวสานตอนที่21 อันเราจากเพืองตายเป็นแพตลอดชีวิตที่กำเนิดขึ้นเพื่อเดินทางไปสู่ประตูมรณะได้กลายเป็นตำนานแห่งการผูกพันและจาพรากด้วยความชินชาที่ง่ายดายต่อการผูกพันในบรรดาโลกธรรมชีวิตจึงมีความไวต่อการเกิดความปรารถนาโดยประศจากอำนาจยับยังห่วงลึกของดวงใจที่มากความปรารถนา มีความหวาดหวั่นว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่หวังพอพอกับหวาดหวั่นต่อการพัดพรากต่อสิ่งที่เคยหลงครอบครองทุกคนกลัวตายร่างกายที่เคยหลงเชื่อว่าเป็นของเราไม่อาจคงฟ้าคงดินบางทีเราพยายามไม่พูดถึงมันหวัน่นหวาต่อการคิดคำนึงถึงกวางตายบางหนเราก็กรบเกลื่อนมันเสีย ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยท่อยทีของขนเข้มแข็งบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าราบเมื่อมีความลุ่มหลงก็ไม่มีวันพ้นความกลัวตายความกลัวมักทำให้คนเราหน้ามืดรีบสะสมไกว้กว่ า, วาหาความมั่นคงให้แกการดำรงอยู่เราได้ตรหนักเพียงใดว่าความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทาไมพระศาสดาถึงได้ย้ามากมายอันเรา จักพึงตายเป็นแท้ม่ใช่เพราะเราพากันละเลยชีวิตจนลืมกระแสสัจจ์สอบหาความมั่นคงจากสิ่งไร้ความมั่นคงนี้กันกหรือเราจะหวังเอาอะไรกันนักกันาในการเกิดมาตัวเปล่าครั้งนี้เราจะรื่นเริงให้สุดเวียงเพื่อจะได้ลืมความจริงอันโหดร้ายของชีวิตไปชั่วครู่ยามแต่แล้วยิ่งติดใจปานใดกับยิ่งเหงาอะไรปานนั้น ยิ่งติดใจปานใดยิ่งตัดใจยากปานนั้นความกลัวตายเป็นคุณสสบัติประจำตัวของผู้ติดใจชีวิตเมื่อติดใจก็ยากแก่การทำใจเมื่ออะไรอะไรก็ต้องแปลต้องเปลี่ยนก็ชีวิตเป็นเพียงปรากฏการที่ไม่อาจกาหนดโปรแกรมไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของผู้ใดโลกนี้เป็นเอกภาพของความเปลี่ยนแปลง ความตายเป็นของแน่นอนเป็นภัยใหญ่ของปุถุชนช้าหรือเร็วไม่แตกต่างกันมากนักวันิพกหรือเสียใหญ่ไพ่หรือจกักรพรรดินางแบบหรือรูปพิผริตพระเอกหรือผู้ร้ายสูงต่ำแตกต่างกันแค่ไหนในเมื่อต่างก็คือละอองหมอกยามรุ่งอรุณแค่แสงแรกแห่งอาทิตย์โปรยปลายก็สลายตัวอำลากันไปความตาย นอกจากเป็นสัจจะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วยังไม่อาจกำหนดเวลาได้อีกด้วยใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เราจะมีเวลาเพื่อหลงไหลชีวิตนี้ได้อีกนานเท่าใดเราจะมีเวลายื้อแย่งแข่งขันเคืองคุณอีกมากน้อยแค่ไหนเมื่อชีวิตคือการเวลาให้ความผุเปื่อยชีวิตนี้น้อยนักที่โหยหาช่วงชิงกลายเป็นสิ่งว่างเปล่าไปในที่สุด ฉลาดปานใดกับการลงทุนเรี่ยวแรงของชีวิตไกว้กว้าสแสวงหาสิ่งไร้สาระมาหวงแหนไว้วาดวันวันพัดพรากทั้งทรัพย์สินเกียรติกามที่ตะกะตะกรามแบกหามมาช่วชีวิตเรากับเป็นกรรมสิทธิ์ที่เก็บไปเป็นสเสบียงชาติหน้าเราไม่รู้กันจริงๆหรอกหรือว่ามหาสมบัติเหล่านั้นมันไม่อาจผ่านประตูมรณะไปกับเราด้วยและยิ่งทาให้เราจากไปยังเจ็บปวดอาลัยลึก ยามตายต้องจากไปตัวเปล่าโดยเดียวดายแม้ทรัพย์สินมากมายกองพนเนินก็ได้แค่มองตาปริบปริบรปรีแล้วก็จากไปยังอะไรอววรลูกหลานบริวารมากมายสหายซีๆีตามมาส่งก็ได้แค่ประตูแห่งความตายแล้วก็อำลาจากกันชั่วนิรันดรหากเราได้ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยสี่เท่าที่จำเป็นแก่อัตภาพ ไม่เหน็ดเหนื่อยและห ว, วาดวันอยู่กับการสะสมเราคงมีเรี่ยวแรงแบ่งปันสันติสุขให้แก่กันตามควรแก่วันเวลาก่อนจากกันไปด้วยความสุขสงบเรามีสิทธิ์ที่จะตายได้ในนาทีต่อนี้ไปควรหรือไม่ที่เราจะปล่อยใจให้สําคัญตอนผิดคิดโออัตตาสะสมลาบยศคะแนนนิยมไว้กรีดเฉือนจิตใจในคราดวงดาวอับแสง แท้จริงหน้าที่ตำแหน่งทั้งหลายเป็นเพียงบทบาทเพื่อความเหมาะสมในสังคมแต่มันมักจะเปิดช่องทางให้ความเขาบันดาลอัตตาขึ้นมาอาวาสใจตนยอมทนทุกข์ขอเพียงได้บ้ายอและเย่อหยิ่งนี่เพียงเพราะไม่รู้ถึงศิลปะการตายแล ะ, และการอยู่